ช่วงเทศกาลวันหยุดคนก็กลับมาเยี่ยมบ้านกันหยุดหลายวันปีใหม่ในมีความสําคัญกับทางโยมมากกว่าพระพระนี่ทุกวันเหมือนกันหมดไม่มีปีใหม่ไม่มีจุดจีนไม่มีสงการทุกวันตื่นมาก็ชีวิตเดิมๆมแหละบิณฑ บ, บาตสวดมนต์แต่งอรชุดเดิมๆอนามบวชมาก็สิบกว่าปีแล้ว ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องวันต่างๆของทั้งโลกเนี่ยมันก็เริ่มจืดๆลงไปไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อสองาทิตย์ก่อนมาไปเที่ยวที่การแวะเข้าไปวัดของวัดป่าอุตาบัวยางสัมปรโนวัดนี้เมื่อก่อนก็ดังมากเลยมีเสือและเป็นสวนสัตว์เปิดให้นักท่องเที่ยวเดียวมาเที่ยวกันแล้วถ่ายรูป ก, กับเสือ เป็นวัดที่แรงคนรู้จักกันมากมายพอตอนหลังเนี่ยก็มีปัญหาโดนปิดไปก็เพิ่งปิดไปไม่นานนะอัตบาสังเกตเนี่ยสถานที่เนี่ยกลายเป็นที่ลกลางมองไปทางไหนก็ขดหูเศร้าใจขาดพลังชีวิตคือเสือเส่อมเสื่อมเร็วมากขึ้นเร็วลงเร็วพราะป่าหลงตามมหาบัวเนี่ยรถก็วนมาข้างหลังเนี่ยก็เจอวัวเจอหมูปา่าเจอกวาง เจอเจอควายเจอสัตว์หลายชนิดเลยคือเมื่อก่อนก็มีคนเอานํสาสัตว์ออกปล่อยที่นี่แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขามีงบเลี้ยงหรือเปล่าเราเห็นแล้วก็นึกถึงความไม่เที่ยงของโลกอย่างสมัยเมื่อก่อนอนามาเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูหนังอย่างโรงหนังในกรุงเทพเนี่ยทุกโรงเลยรู้จักหมดถ้าถามเรื่องอื่นไม่ค่อยรู้แต่ถามโรงหนังเนี่ยโรงนี้ชื่ออะไรอยู่อุงไหนเนี่ยสามารถตอบได้หมดเลย คือดูดูกับทุกโรงอะ่ะ ม, มีมีที่ไม่ดูก็มีไม่กี่โรงเองยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงและวโรงหนังก็ไม่มีล้สมัยที่มาเด็กๆเนี่ยเมื่อก่อนอยู่อุทองจังหวัดสุพรรณเนี่ยช่วงอายุ ป, ประมาณ10ขวดสบเอ็ดขวดนี่ยปีใหม่เราจะดีใจมากเลยตอนนั้นเราจะได้ไปงานปีใหม่ยุคที่เราไปเด็กๆเนี่ยมันก็ตามงานก็มีชิงช้าสวรรค์มีรถไต่ถังแล้วก็มี หนังหนังเก็บตังค์แล้วก็หนังกลางแปลงที่ชอบก็คือจะมีวงดนตรีมาสแสดงแล้วแต่เขาจะจะเอาใครมาสแสดงบางครั้งก็เป็นวงดนตีดังๆไม่ใชเป็นยอดรักสลักใจสา ย, ยสัญญาสอนเพชรสอนชัยผู้พัดงจันร์อะไรเงี้ยเราก็ไปดูเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงแล้วคนยุคใหม่ก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้ตานุ่งตามสมัยตามมานอกเดี๋ยวนี้ไป ที่เราเคยเป็นท้องไร่ท้องนาเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นตึกราม่นช่องภามเจริญเข้าแทนที่เปลี่ยนแปลงไปตามลุกตามสมัยลงหนังก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้คนก็ดูวิดีโออยู่บ้านแทนหรือเปิดคอมดูทุกสิ่งทุกอย่างเลยไปขอไม่เที่ยงปีนี้ก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยมีคนดังเสียชีวิตก็หลายคนทางธรรมะนี่ก็มีหลวงพ่อจรันสิงห์บุรีเนี่ยครูบาอาจารย์ชื่อดังท่านก็มรณภาพ สารสายหลวงพ่อเทียนนี่ก็อาจารย์กระโบนทองบ น, นุ่มหรือจิตสดใสากายพิการเนี่ยก็ตายไปแล้วโดวยโรคมะเร็งตับคนดังๆคนอื่นก็มีอย่างเช่นบัรหารก็ตายไปถ้าวงการกีฬาก็มูฮัมหมัดอาลีก็ตายไปคนก็ทยอยกันตายไปแสงถึงความไม่เที่ยงอัลมานี่ก็เลยไปที่ช่องเขาขาดช่องเขาขาดเนี่ยอยู่ใกล้ๆพมา่าไปเขตทหารนะ ลงไปดูอ่ะที่เขาสร้างทางรถไฟอ่ะเมื่อก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นก็เกณฑ์เชลยเนี่ยเชยมาจากประเทศ ต, ต่างๆเมื่อจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือที่อื่นเนี่ยให้มาช่วยทำทางรถไฟเพื่อจะนำรถไฟเนี่ยไปฮามา่าตรงนั้น่ะเป็นที่อันตรายมากเลยจะต้องผ่าป่าผ่าดงแล้วก็เหวทำให้เชลยเนี่ยตายตรงจุดนั้นเจ็กว่าคน แล้วตายจุดอีกมากมายเราไปดูแล้วก็เกิดความสังเวชอะอย่างเมืองการก็สะพานข้ามแม่น้ําแฟก็มีเฉลยศึกตายมากมายเหมือนกันอดีตก็มีคนตายมากมายไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างหลวงพ่อพระเกลานเนี่ยถ้าก็ได้แต่งแต่งนิทานล้อมนุษย์นะที่สวนโมกเนะี่ยนิทานล้อมนุษย์ก็คือพระเจ้าสร้างโลกอัตบาก ก็ชอบนะนี่ทานเรื่องนี้เนื้อเรื่องก็มีอยู่ว่าพระพรหเนี่ยสร้างสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตน่ะก็เข้าไปถามพระพรหว่าให้เรียกตัวเองว่าอะไรให้มีอายุเท่าไหร่แล้วถามหน้าที่อะไรบ้างพระพรหให้เรียกว่าคนก็นแล้วกันตั้งชื่อว่าคนให้มีอายุ30ิปี ไม่ต้องทำงานรับผิดชอบแด็ทั้งสิ้นหลังจากพระพมสร้างคนแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นห่วงเพราะสัญญากับคนไว้ว่าไม่ต้องทำอะไรจึงสร้างวัวขึ้นมาแล้วกาหนดให้วัวเนี่ยมีอายุสามสิปีโดยให้วัวเนี่ยมีหน้าที่ทำงานรับใช้คนวัวเนี่ยรู้ดังนั้ น, นก็เกิดฟาร์มไม่ค่อยจะ พอใจเท่าไหร่เพราะว่าการทํางานหนักเพื่อรัใช้คนตั้งามสปีเนี่ยมีเขาถือว่ามันไม่มีความสุขสบายเลยมีแต่ทุกข์จึงขอต่อรองกับพระพรมว่าขอมีอายุแค่สิปีก็พอแล้วพระพรมก็ไม่ว่าอะไรสิบปีก็10ปีฝ่ายคนพอรู้ว่าวัวขอลดอายุจาก30มหรือสิปีเนี่ยคนปกติก็มีอายุ30ปีแล้วเขาเข้าไป ขออายุวัวจากพระพรหมเพื่อจะได้มาเป็นอายุของตนพระพรหมก็ไม่ขัดใจก็หย่อนๆไปคนจากอายุสามสิบก็กลายเป็นอายุห้าสิบตอนี้อายุเพิ่มแล้นะคนหลังจากคนมีวัวแล้วพระพรหมก็คิดไปคิดมาว่าเอ๊ะมีวัวทํางานหนักให้เกิดมีทรัพย์สมบัติมามีอะไรเฝ้าจึงสร้างหมาขึ้นมา แล้วก็หนดให้หมามีอายุ30ปีหมาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าให้มาเฝ้าบ้านรับใช้คน30ปีนานไปเลยต่อรอพระพรเหลือ10ปีก็พอก็เหมือนเดิมพระพรก็จัดให้10ปีก็10ปีคนพอ ร, รู้ข่าวว่าหมาเนี่ยลดอายุตัวเองลงเนี่ยก็มาขออยุหมาทีเลยพระพรก็ใจดีก็ยกให้อีกแหละจากตอนแรก ได้ยุขววัวมา50ปีพอได้ยุหมามาก็กลายเป็น70ปีตอนนี้คนมีอายุปีแล้วต่อมาพระผมก็เกิดเป็นห่วงคนอีก แ, ลแหละก็ว่าชีวิตนี้จะไม่สรุกสนานไม่เบี่งบขบขันจึงสร้างลิงมาเพราะลิงเนี่ยเป็นตัวตลกให้คนมีความสุขลิงก็มีอายุสาปี แ, แหละแต่ลิงก็รู้สึกว่า ต้องมาแสดงไปตัวโลกขบขันให้ให้กับคนเนี่ยตั้งสาสปีนานไปหรือสิปีก็พอพระพรหมก็ให้เหมือนเดิมแล้วคนพอรู้ข่าวก็รีบมาขอพระพรหมเลยต้องการอายุลิงพระโหงก็ใจดีนะแต่ก็หัวเราะแล้วก็ยกให้เหมือ น, น, เ, อนเดิมแหละตอนนี้คนก็มีอายุเก้าสิบปีแล้วแล้วพระโหงก็สร้างโลกให้ให้ผ้าที่ขึ้นแล้วก็ภ้าที่ตกสร้างพระจันร์แล้วก็ต่างๆนั่แหละ แม่น้ำภูเขาทะเลแต่หลังจากนั้นนะ่ะคนแต่เดิมเนี่ยอายุ30ปีเนี่ยจะเป็นอายุของคนได้แท้นะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเราสังเกตนะตั้งแต่เด็กจนถึงอายุ30ิบเนี่ยจะเพื่อคิดอะไรเท่าไหร่หรอหรือคิดแบบสนทนานแต่พอคนอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแล้วจะต้องรับผิดชอบครอบครัววางแผนอนาคตคือไปรับอายุของวัวมาตอนนี้ ชีวิตก็เริ่มหนักขึ้นแล้วหลังจากอายุห้าสิบไปเนี่ยไปรับอายุของหมามาทีนี้ก็ต้องห่วงนูน่นห่วงนี่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงญาติพี่น้องห่วงทรัพย์สมบัติความทุกข์ก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากเจ็สิบปีไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไปรับอายุลิงมาคือเริ่มหลงไงเจ็ิปีถึงเก้าสิบเนี่ยบางทีกินข้าวแล้วก็บอกก็ลือแปลว่าอย่าไม่ได้กินก็มีหรือทาอะไร เง่นเงื่อนทำให้ลูกหลานขบขันก็มีเพราะคนแก่บางทีได้หน้าลืมหลังอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นบ่อยคนแก่ถ้าไม่ฝึกสติก็จะเป็นอย่างนั้นแหละบางทีลืมนูลืมนี่อันนี้เป็นธรรมดาของคนมันก็ตกกับชีวิตของคนประจำวันนะนิทานล้ อ, ล, อ, ล, อล้อมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยใกล้เคียงเลยแหละ ยิ่งถ้าเป็นคนจีนหรือคนฝรั่งเนี่ยเขาก็ถือว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีวันพิเศษฝรั่งก็ถือวันคิดมากเป็นวันหยุดถ้าจีนก็ตุ่จีนไทยก็สงการนั้นเขาก็กรมนากรมจายเก็บเงินเพื่อไปเที่ยววันนั้นแหละอย่คนจีนก็ทํางานหนักทุกวันทุกวั น, วนเพื่อจะได้ไปเที่ยวตุ่จีนแต่บางคนคิดไม่เป็นก็ไปเล่นการพ น, นันก็มีเล่นการพ น, นันหรือไปทําอะไรที่ไร้สาระ อย่างตัวเรามาเร า, าบวชแล้วลึงมองเห็นปัญหาพวกนี้ยคือออกจากปัญหาไงการใช้ชีวิตแบบพระเน่ยดีที่สุดไม่ดินน้นรนแล้วก็เป็นวันดีทุกวันไม่ต้องรอจุดจีไม่ต้องรอสงการทุกวันเป็นวันใหม่หมดไม่ต้องดินน้นรนแต่มันก็อยู่ยากนะพกเพราะโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันต้องดินน้นรนเอาเข้าไงพอเราไม่ดินน้นรนปุ๊บทุกเราก็น้อยลงทันทีเลยเพราะชาวโลกเนี่ยเขาอยากรวยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและอำนาจถือตาเนี่ย และชื่อเสียงไงสังคมถ้าใครรวยมากคนนั้นก็มีบารมีมีอำนาจตามมาหลายๆอย่างคนยอมรับไงจะหาแบบอยู่แบบพอเพียงก็มีน้อยอะ่ะคนคิดแบบอยู่แบบพอเพียงเมื่อสองที่ก่อนนี้ยมาก็ไปร่วมไว้อะไรองค์ในหลวงด้วยก็ไปต่อคิวเพราะาการที่เราไม่รู้นะไปจะเข้าได้ก็รำบากเหมือนกันแหละเดินหลงบ้างหาที่ลงทีเบียนไม่เจอบ้าง ถูก พ, ทพะที่พะเจราทีเนี่ยขู่บ้างหลายอย่างแต่พอเราผ่านไปแล้วเนี่ยเราต้องหลงก่อนถึงจะรู้อะ่ะเราก็สามารถบอกคนอื่นได้ถ้าใครไปมวนหน้าเนี่ยเราก็บอกได้ทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องมาวุ่นวายเหมือนเราเข้าไปในวงังขากลับเนี่ยแต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะเขามีคุมเข้มเลยแหละต้องทำตามระเบียบเปียอัลมาก็ได้ เขาเปลือกหอยเล็กมาหอ่อหนึง่งใส่ซองอะ่ะพอเพียงชีวิตพอเพียงก็ เ, เก็บออกมาด้วยบางครั้งถ้าเราดิ้นรนแล้วก็นึกถึงชีวิตพอเพียงก็อาจช่วยได้ความดิ้นรนเราก็น้อยลงคนเราที่ทุกข์เนี่ยเพราะว่าไปหาความสุขสนานบันเทิงข้างหน้านั่นแหละไม่ได้มีความสุขกับปัจจุบันหรอกหวังความสุขจากอนาคตตอนเด็กบางคนก็อยากเรียนหนังสือสู ง, สง เพียอได้ทำงานดีๆพอเรียนจบคนก็หวังจะมีครอบครัวดีๆมีครอบครัวก็อยากมีลูกดีๆส่วนมากเป็นอนาคตหมดอะแล้วเดี๋ยวเรากแก่ความแก่ไม่มีใครหนีพ้นปีใหม่เนี่ยที่แน่อายุเราก็เพิ่มมาอีกหนึ่งปีอีกสองวันวันปีใหม่เนี่ ย, ายอาจารย์ภาษาจะหกิแล้วเราเรียกเรียบปากเรียมคำแล้วเพราะเลยมันเกิดมาแล้วอายุก็เพิ่มขึ้น ทุกคนแหละอายุก็เพิ่มขึ้นปีใหม่ปีเก่าก็ไปร อ, อยแห่งความทรงจำไปอย่างปีนี้ช่วงต้นๆปนีก็มีอยู่ข่าวหนึ่งสร้างแร ง, แรงบันดาลใจให้อดัมบาเนี่ยพลลรูปลงเฟ e บุ๊กก็คือสุรชัยสมบัติเจริญสุรชัยเนี่ยอายุ60แต่เจ้าตัวรู้สึกว่าจะไม่ยอมรับความแก่ก็เลยไปผ่าตัดหน้าหรือเฟอเนี่ยให้เด็กขึ้น อันมาก็เลยนาพวกภาพดาราเก่าๆดาราจีนเนี่ยเมื่อจะเป็นเป็นหลิวเต้าหัวโจหุนฟ้าฉันหลงหรือดาราดังๆคนอื่นๆน่ะนำภาพช่วงเป็นหนุ่มแล้วก็ตอนแก่มาประกบกันซ้ายขวาแล้วก็สร้างอัลบั้มสังขารไม่เที่ยงของดาราจีนอันมาก็ทำเล่นๆนะตอนแรกก็กล่าวว่าอย่างมากคนปรากฏร้ายเราร้อยร้อร้เราก็ดีใจแนละ้ว ไม่ได้ทําอะไรเลยเถิดไปนะหรอตอนแรกก็ทําสักการ์ทำั้งสิรูปแต่ทาไปทำมาคนมากดไลฟมากกว่าธรรมะที่อรมาพศให้ใจเป็นสารนี่เฉพาะมากดข้างนอกนี่ก็กเกือบส0 0 0มื่นแล้วข้างในรูปแต่ละรูปเนี่ยอย่างรูปของดาราบางคนจะสอง0 0ื่นกว่ 20, าไลฟคือแต่ละคนก็มีแฟนๆที่เขาชอบอยู่ไง ห, หลินชิงเสียหวังอยู่เซียนแล้วก็พวกดาราดังหลายคนในนั้นคนรู้จักกันเยอะ ทำให้เราเห็นฟ้ามไม่เที่ยงของสัจธรรมหน้าตาเราไม่สามารถรักษาได้เลยกายเวลาผ่านไปเนี่ยบางคนตอนหนุ่มๆแข็งแรงนะหน้าตาหล่อพอแก่ไปผมงอกตีนกาลึกร่างกายป็นทีก็หมดสภาพเลยไม่เหมือนในอดีตแล้วแหละอย่างดาราเนี่ยอย่างผู้หญิงบางคนก็ไปแต่งหน้าให้สวยแล้วก็ไปกิจยาผิดหรืออะไรก็ไม่รู้กลับแก่กว่าเดิมก็มีอย่าง อันเจาโจลี่อ่ะเมียของแบทพีสเนี่ยก็กลัวความอ้วนก็เลยทําให้แบบระวังเรื่องอาหารต่อหลังลก็เลยกลายเป็นผอมแล้าข่าวล่าสุดก็อังคาทีมดีเมื่อก่อนก็เป็นนักร้องแล้วก็เป็นดางแบบชื่อดังนะคือสวยและเซ็กซี่คือเขากลัวความอ้วนก็พยายามไม่กินอาหารเฉพวกแป้งเนี่ยมาตั้งยี่สิกว่าปี ตอหลังเลิกเลยป่วยเป็นโรคขาดสารอาหารตอนนี้ถ้าไปดูรูปแหลก็จะกลายเป็นปากกน้าแก่ๆคนหนึ่งคนนั้นเองจะไม่ความสวยความสาวในอดีตก็หายไปหมดแล้วรล่งโรยไปกับกาลเวลามีหลายคนพวกดาราก็บางคนก็ตายไปก็มีชีวิตเนี่ยโดยธรรมดาแล้วมันก็เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เลยกาลเวลาที่ผ่านไป สิ่งที่เราไม่อมาจเราต้องทําฟาร์มดีสร้างบุญทร้ากุศลทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานี้ก็สามารถช่วยเราได้อย่างพวกโยมาวัดก็ถือว่ามีปัญญาถ้าคนมีปัญญาปีใหม่ก็ไปสุขสนานบางคนก็ไปกินละกินเหล้าเล่นการพ น, นันบางทีเมาเหล้าก็ข่าตายก็มีหรือขั บ, บขตรถบนถนนขาดสติทําให้เกิดอุบัติเหตุก็มี ปีใหม่เนี่ยจะเกิดบาดเหตุโดยบทนมากมายเลยบางทีตายก็หลายร้อยศพ บ, บาดเจ็บก็หลายพันเป็นอย่างนี้ทุกปีอาจารย์ไพศาลเคยบอกว่าคนเราเนี่ยตายเวลาแสนห้ามื่นคนตอนแรกอาตมาก็ไม่เชื่อนะอาจารย์พูดเกิดไปเลยไปหรือเปล่าแต่ตอนหลังเนี่ยเชื่อเพราะว่าคนในโลกเนี่ยมีอย่งหลายพันล้านแล้ววัดในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีสามหมื่นกว่าวัดบางวัดเนี่ยมีเมนเผาศพ หลายเมนด้วยซ้ำวัดใหญ่ๆเนะี่ยอย่างวัดธาตุทองหรือวัดชนบานหรือในกรุงเทพเนะี่ยบางทีเมนไม้ว่างเลยอันนี้เขาตายแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ลงข่าวนะไอที่ลงข่าวก็มากมายคนทั่วโลกอะ่ะที่ไม่ลงข่าวกแก่ตายป่วยตายเงี้ยกิดอาบัติเหตุตายหรือโดนฆาตกรรมจะลงข่าวทุกวั น, ท, วนทุกวันที่เราเห็นนะี่ยแต่ตายตามปกติ ไม่ลงในเยอะมากแต่และหมูบ่บ้านเนี่ยก็ต้องมีคนตายทุกที่อ่ฉะฉั้นคนเราตายวันละแสนห้าหมื่นคนจะเป็นเรื่องธรรมดาท่มามประานบอกว่าเราจะโชคดีนะที่เรามีชีวิตยอยู่แล้วเราก็ไม่ไปเป็นหนึ่งในจำนวนแสนห้าที่ตายไปตื่นมามีวันพรุ่งนี้ถ้าก็พูดเรื่อยว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ชาติหน้าไหนจะมาก่อนบางคนหลับไปแล้วก็ตื่นมาชาติหน้าเลยก็มี เพราะโลกความจริงบางทีก็โหดร้ายไม่ได้เป็นที่เราคิดหรอกไม่ได้โรยด้วยกี่บุราบเมื่อสองวันก่อนจะไปศาลพูดเรื่องอย่าทำผิดในสิ่งที่ถูกอันนี้อันมาจำมานะที่ว่าท่านพูดถึงชายอยู่สองคนที่เป็นเพื่อนกันอะ่ะอีกคนหนึ่งเนี่ยชอบไปจปับปลาอีกคนหนึ่งเป็นคนธรรมะธรรมเข้าวัดเข้าวัดไปถือศีลไปฟังธรรมไง แล้วชายคนที่จับปลาน่ก็มีความสึกว่าตัวเองผิดทำบาปไงวัดก็วัดที่ชายคนนั้นไปก็อยู่ ใ, ใกล้กันแหละเวลาได้ยินพระให้ศีลพระสวดมนต์พระเทศเนี่ยคนที่จับปลาก็นึกถึงวัดแต่ไอ้ส่วนชายคนที่ไปรับศีลไปฟังธรรมเนี่ยก็คิดถึงเพื่อนวันนี้จะจับปลาอะไรได้เดี๋ยวเย็นนี้ เราจะกินปลาอะไรเงี้ยคิดไปคิดไปคนละมุมเลยปรากฏว่าวันนั้นชายคนนั้นก็จับปลาไม่ได้ทบาาไม่ขึ้นเหมือนกันเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับอาตมาเท่าไหร่หรอกพอ่ออาตาจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องหองจ า, ารีสารเรื่องของอาตมาจะเล่าก็คือโยคีตั้งอาสมที่ถนนนอกเมืองแห่งหนึ่งและที่ตรงข้ามเนี่ยก็มีสำนักของโสเภณีโยคีเนี่ยมีคนศรัทธามากมีคนนับถือเลื่อมใส ท่านอยู่ได้ศีลอยู่ได้ทมไงส่วนโสพนีก็มีคนมาใช้บริการเธอเยอะเหมือนกันเพราะโสม โ, โสพนีคนนี้มีสเสด็มากบริการเก่งแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุทที่ทำให้โยคีกับโสพนีเนี่ยตายมาเดียวกันหลังจากนั้นอย่างนั้นทั้งคู่เนี่ยก็มาสู่โยมโลกพญายม ก็นำทั้งโยคียและโสพภณีเนี่ยมาพิจารณาว่าจะให้ไปไหนพญายมก็ให้โยคียเนี่ยตกกลกและให้โสเภณีไปสวรรค์โยคยีตกตะลึงเลยเพราะว่าข้าไม่ถึงประท้วงไม่ยอมแล้วบอกว่าข้าเนี่ยรักษาศีลประพฤติดีมาตลอดจะให้ตกกลกได้ไงส่วนโสพภณีเนี่ย ทำตัวตกตําทําความเร็วมาตลอดสมควรตกกัลกอย่างกถูกขอให้พยาโยมอ่านคําพิพากษาใหม่พยาโยมก็อ่านก็เหมือนเดิมโยคียก็ตกกัลกโสมณีไปสวรรค์แล้วก็อธิบายว่าโยคียเนี่ยขนาดที่ไหว้พระสวดมนต์ขนาดที่แบบกำลังภาวนาบางครั้งก็ชอบเพ่งจิตไปที่โสํานักโสมณีไงคืออยากเสพกลางไปโสมเพนี แต่ส่วนโสภินีเนี่ยเธอจะสำนึกเสมอเธอจะศรัทธาโยคีมากเลยนะยกอวิวายทั้งเช้าทั้งเย็นยิ่งถ้าได้ยินเสียงสวดมนต์เนี่ยเธอก็จะน้ำตาไหลเกิดพิติทุกครั้งเลยและที่เธอรับแขกมีแขกมาใช้บริการเนี่ยเธอก็จะคิดถึงโยคีทุกครั้งสำนึกผิดไงก็เลยทําให้จิตใจของเธอเนี่ยคล้ายดีกว่าโยคีโยคีจะอยู่สูงและใยต่ําคือโสภินีนี่แหละ ทำงานต่ำแต่ฝ่ายสูงขบิสภารักษ์เรื่องนี้ก็จบอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับพระไม่เกี่ยวกับนักบวชหรอกอยู่ที่จิตใจว่าเป็นกุศลหรืออกุศลเพราะถ้าเราจิตใจเป็นกุศลเนี่ยเราก็ทำบุญง่ายทำบาปยากแต่าบางคนก็จิตอกุศลเนี่ยก็ทำบาปง่ายทำบุญยากอันนี้อยู่ที่บุคคลเหมือนกัน เพราะแต่ละคนนิสัยไม่เหมือนกันไงบางคนทําความดีแต่ก็ไปเพ่งโทษคนอื่นบุญกุศลก็ลดลงไปด้วยแต่บางคนเนี่ยทำความดีง่ายเห็นใครทําความดีก็สาธุอันนี้เราก็ได้บุญด้วยเห็นใครตักบาตรก็สาธุเห็นใครทําความดีเอาสังฆทานมาถวายถวายพระก็สาธุเห็นใครช่วยฝาดเป็นไม้ล้างถ้วยล้างจาน ป, ปูเสนาธนะทํพิากาทวาดเนี่ยก็สาธุอันนี้ก็ได้บุญเหมือนกัน แต่ถ้าเราเห็นคนอื่นแล้วเราเพ่งโทษไอ้นี่ก็ไปช่วยเราเลยเอาเปียบเห็นกับตัวอะไรเงี้ยอันนี้จิตเราก็เป็นอกุศลบุญเราอาจจะไม่ได้ก็ได้เพราะว่าการทําบุญน่ยอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ในรูปแบบภายนอกอย่างที่อาจารย์ไปสารพูดอหะอย่างที่อย่างที่ยกตัวอย่างวันนั้นมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน็อตกับรดกูเนี่ยน็อตเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าบอยเนี่ยชนแล้วหนีมีความรู้สึกว่าผิด เขาเลย เ, เลยควบคุมตัวเองไม่ได้เลยชกหน้าเพื่อสั่งสอนไงแต่สิ่งเขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่สิ่งที่เลวร้ายกว่าเราช่วยแล้วขาดสติไงเรื่องของน้อยกับรถเนี่ยพวกโยมเอามาเป็นอุทาหรณ์ได้นะเอามาเป็นครูได้เพราะช่วงที่ขาดสติเนี่ยคนเราสามารถทำอย่างนั้นได้เหมือนกันทุกคนหมดเราต้องเจอสติเพราะว่าช่วงนั้นควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้ว น็อตคือว่าในช่วงที่สติแตกถ้ามีมีดปืนจะฆ่าเลยก็ได้เราทําไปแล้วก็เสียใจภายหลังเราจะเห็นว่าคนติดคุกติดตารางเนี่ยมีมากเหลือเกินเพราะว่าอารมณ์นําหน้าเหตุผลตามหลังไงคือทําไปแล้วมัเสียใจแต่คนที่มีสติเนี่ยเขาจะรู้ว่าทําไปแล้วเนี่ยเกิดโทษมหาศาลเลยหนึ่งเสียชื่ออัน น, นี้เห็นเลยน็อตนี่ก็เสียชื่อถูกไล่จากงานเขาเป็นพิธีกรโทรทัศน์ด้วยแล้วก็เป็นดีเจด้วย แถมสังคมมานามอีกก็มีร้านอาหารด้วยคือไม่คุ้มเลยได้คือว่าแค่อารมณ์ชัวว่ววูทางพระเสียอนาคตเยอะแ ย, ยะหมดแต่ช่วงนั้นไม่คิดอะไรนะช่วงช่วงที่หน้ามืดอะแต่ทำให้แล้วถึงสำนึกได้ก็เป็นครูาหอนเป็นอาจารย์อาจารย์เนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่แนหนังสือหรือครูบาอาจารย์สอลมาเอาหรอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอาจารย์ได้หมดแหละ ไม่ว่าจะไปดินฟ้าอากาศต้นไม้ยุงมแมลงเพื่อนร่วมงานสอบอารมณ์ได้หมดว่าเราเนี่ยอารมณ์เป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเกิดเราทุกข์บางทีก็เป็นอกุศลได้หรือคิดบิดเบียนคนอื่นอะไรงี้แต่ถ้าเรามีจิตเป็นกุศลแล้วก็อยากช่วยเหลือคนอื่นมีเมตตารุณาอันนี้สามารถเช็คได้เพราะคนเราเนี่ยก็จิตบนเบียรกับเรื่องนี้แหละไม่กุศลก็อกุศลแต่ที่แต่ส่วนมากถ้าไม่เจริญสติก็ไม่รู้นะ มันคล้ายๆกันถ้าเราจิตกุศลด้วยบ่อยเนี่ยชีวิตก็นําให้เราเนี่ยสู่ความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขแต่ถ้าเราคิดแต่เรื่องอกุศลแล้วบ้างเนี่ยมันก็ดําให้เราเนี่ยให้เกิดทุกข์เกิดเผารลุจิตใจนําไปสู่ที่ตกต่ำได้ปีใหม่เนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องให้ดีกว่าเก่าแหละเราก็ต้องใหม่ทุกวันไม่ใช่มารอปี6กสตอนนี้จะปี60 ปีใหม่ทุกวันมีความสุขกว่าแล้วก็ดีกว่าอันมาพูดมาเห็นว่าสมควรกับเวลาก่อจบวัทท่องกรหลวงพ่อพุทธธาตุให้ฟังกรหนึ่งปีใหม่ย่อมดีกว่าปีเก่าพืชมีเงาครบปีทวีหัวทั้งขนาดทั้งจำนวนล้วนเกินตัวแต่คนชั่วกับถอยสดดีลดลงคือปีหน้าเร็วลงกว่าปีนี้ไม่กี่ปีจะหมดดี พอมีหลงรู้สึกตัวลาชั่วก็เห็นตรงดีจะคงดีขึ้นไปชื่นใจเอยขอสุขความเจริญมีแก่ญาติโ ย, ยมทุกท่าน